แถวนี้ผีดุเรื่องเล่าผีตัวตายตัวแทนหลายสถานที่หลายแห่งเราอาจพบได้ว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและมักจะมีผู้เสียชีวิตอยู่เสมอโดยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อาจจะอธิบายได้ด้วยสาเหตุและปัจจัยหลายประการที่พิสูจน์ได้แต่ในทางกลับกันในมุมมองของความเชื่อ ก็มีหลายเหตุเช่นกันที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตซ้ำไปซ้ำมาในสถานที่นั้นๆไม่ว่าจะเป็นการที่วิญญาณต้องการเพื่อนที่จะไปอยู่ด้วยวิญญาณมีความผูกพันกับผู้ตายหรือแม้กระทั่งการเอาชีวิตของผู้อื่นไปแทนตัวเองเพื่อให้ตัวเองได้รอดพ้นจากที่แห่งนั้นของดวงวิญญาณที่เราเรียกว่าตัวตายตัวแทนนั่นเองดนชายหนุ่มที่เพิ่งกลับมาจากไปเที่ยวหลังวันหยุดยาวช่วงปีใหม่ทงางภาคเหนือ หอบของฝากพรมพลังเต็มมือมาที่สํานักงานในวันแรกของปีเพื่อเป็นทั้งของฝากและของขวัญปีใหม่ให้กับเพื่อนร่วมงานที่ต่างคนต่างก็เพิ่งกลับมาจากบ้านที่ต่างจังหวัดซึ่งคนในสํานักงานส่วนมากจะเป็นคนทางภาคอีสานมากกว่าจึงไม่แปลกที่ของฝากจากเพื่อนๆนของเขาจะเป็นอาหารการกินจําพวกปลาร้าหรืออาหารพื้นบ้านทางอีสานซสมากกว่าแต่ทุกคนในสํานักงานก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านั่นแหละคืออาหารที่พวกเขาโปรดปรานมากที่สุดเช่นกัน ยิ่งเวลาพักกลางวันแล้วมานั่งล้อมวงกินด้วยกันได้คุยไปกินไปยิ่งทําให้รสชาติอาหารอร่อยขึ้นมาอีกเท่าตัวเลยทีเดียวดนตระเวนแจกของฝากให้กับเพื่อนร่วมงานจนแทบจะทั่วทั้งสํานักงานและเช้นสุดท้ายก็มาลงที่เพื่อนรักของเขาที่ถึงแม้จะมาจากทางภาคอีสานแต่หน้าตาก็คมคายไม่ใช่เล่นไอ้น e ิ il, ทําอะไรอยู่วะโดนทักทายพร้อมกับกระโดดเข้ามาหาเพื่อนอย่างไม่ทันตั้งตัวเฮ้ย hey! เล่นอะไรเนี่ยตกใจหมดเลย ไหนบอกไปเที่ยวแถวดอยมาไหนของฝากเอามาเลยนิวกล่าวทักทายเพื่อนพร้อมกับทวงของฝากตามประษาคนสนิทคุ้นเคยกันเออไม่ลืมหนะรอกเน่าเพื่อนรักทั้งคนจะลืมได้ไงวะเอานี่เอาไปดนกล่าวพร้อมยื่นของฝากจากดอยให้พร้อมกับถามนิวต่อว่าเป็นไงบ้างกลับบ้านสนุกไหมเราไปเมื่อวันี้คงหายคิดถึงบ้านอีกยาวเลยเลยซิไอ้หายคิดถึงนะมันก็ใช่อยู่หรอกแต่รถติดนีส่สน่าเบื่อชิบหายเลยเมืเ่อไปหมดทั้งตัวแล้วเนี่ย สงสัยคนหน้าคนท่องไปเที่ยวแถวทางเหนือกับแกแล้วเหรอวะนิวกล่าวพร้อมบิดตัวไปมาตามอาการที่เขากล่าวเออดีดีดีสองวันข้างหน้ามีงานที่บ้านข้ากําลังหาผู้ติดตามอยู่พอดีงั้นข้าขอหัวหน้าให้เองไปด้วยเลยนะเว้ยดนพูดอย่างดีใจถ้าขอได้ข้าก็ไม่ขัดแล้วกันนิวตอบกลับเพื่อนอย่างทันท่วงทีพร้อมกับโดนที่เดินกลับไปทํางานในวันรรกของปีอย่างสบายใจที่จะมีเพื่อนร่วมเดินทางกลับบ้านอีกครั้ง แม้จะโดนบ่นนิดหน่อยเพราะเพิ่งจะเป็นช่วงหยุดยาวแต่สุดท้ายแล้วเจ้านายก็อนุญาตให้ดนกับนิวลา ง, งานได้เพราะจะว่าไปแล้วทั้งคู่ก็เป็นคนที่ขยันในการทำ ง, งานมากอยู่แล้วหลังจากเลิกงานทั้งคู่ก็ได้เดินทางออกจากสำนักงานมุ่งไปยังจังหวัดเชียงใหม่บ้านเกิดของดนทันทีเพราะในเรื่องของสัมภาระราต่างๆนิ้วได้ตระเตรียมมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วการเดินทางครั้งนี้ใช้รถเก๋งคันงามคู่ใจของดนเป็นพาหนะในการเดินทางโดยมีดนที่เป็นเจ้าของรถเป็นผู้ขับตลอดการเดินทาง ในขณะที่พักรถก่อนขึ้นเขาโดนได้เล่าให้นิวฟังเกี่ยวกับผาร้อยศพที่มีผู้คนขับรถตกเขาบริเวณผานี้และเสียชีวิตเป็นจำนวนมากซึ่งโดนก็กล่าวต่อท้ายอีกว่าน่าจะเป็นการเอาไปเป็นตัวตายตัวแทนของวิ ญ, ญญาณที่อยู่ที่นี่มากกว่าแต่สิ่งที่โดนเล่าก็ไม่ได้สร้างความน่ากลัวให้กับนิวได้เท่ากับประโยคที่โดนพูดก่อนออกรถว่าผาที่ว่าเนี่ยอยู่บนเขาลูกที่เรากันมาจะขึ้นไปเนี่ยแหละตั้งแต่ออกรถมา ไม่มีเสียงสนทนาใดจากปากของทั้งคู่จนกระทั่งนิวได้เอ่ยถามดนว่าเมื่อไหรือเปล่าวะให้ข้าขับแทนก็ได้นะเว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้าไหวอยู่ระดับนี้แล้วดนตอบพลางหันมายิ้มให้เพื่อนอย่างอ่อนโยนก่อนถึงผ่าร้อยศพเพียงไม่กี่กิโลเมตรโทรศัพท์ของนิวก็ดังขึ้นหน้าจอขึ้นชื่อพี่ป่านรุ่นพี่ที่ทํางานนิวจึงกดรับสายอย่างสุภาพพร้อมกับเสียงจากต้นสายที่ถามอย่างสันเครือว่า ตอนนี้นิวอยู่กับโดนไหมทึ่นนิวก็ตอบไปว่าอยู่ครับพี่ป่านมีอะไรเหรอครับถึงจะต้นสายเงียบไปสักพักจนนิวต้องเรียกซ้ำอยู่หลายรอบจนกระทั่งต้นสายได้ตอบกลับมาพร้อมเสียงที่สั่นมากยิ่งกว่าเดิมอีกหลายเท่าฟังพี่นะนิวโดนเสียแล้วเขาขับรถตกเขาตอนที่กำลังขับรถกลับมาจากเชียงใหม่ทางบ้านเขาเพิ่งโทรมาบอกกับสานักงานว่าจะเผาวันพรุ่งนี้ ทันทีที่ได้ยินดังนั้นนิวก็นึกทบทวนถึงเหตุการณ์ต่างๆว่าแล้วคนที่หอบของขวัญไปให้ทุกคนที่สำนัก ง, งานละ่ะคือใครทุกคนคงต้องล้อเขาเล่นแน่ๆแต่เขายังไม่ทันได้คิดอะไรต่อไปจากนั้นสภาพรถธัน ง, งามของดนก็กลายสภาพเป็นรถเก่าๆที่สภาพไม่น่าจะวิ่งบนท้องถนนได้ในเสื้อวินาทีนั้นเขาได้หันไปมองที่เพื่อนของเขาที่บัตรนี้สภาพเละเทะจนจำแทบไม่ได้แล้วว่าเป็นใครขอบคุณมากนะเพื่อน โดนกล่าวกับนิวที่ตอนนี้น้ำตานองหน้าและตัวสั่นไม่รู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาจากปากของนิวมีเพียงเสียงของรถทัน ง, งามที่เสียดสีกับต้นไม้และซอกหินขณะที่ดิ่งลงไปสู่ก้นเหวแห่งผาร้อยศพที่เปรียบเสมือนเสียงหัวเราะของดวงวิญญาณที่ประหนึ่งจะกล่าวว่าข้ามีตัวตายตัวแทนแล้วแล้วคุณละ่ะเชื่อเรื่องตัวตายตัวแทนหรือเปล่า หากคุณชอบเรื่องนี้กรุณากดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับ